<c oughs> วันนี้วันพระวันเพนขึ้นทิ่ห้าคำเป็นวันที่พวกเราชาวพุทธจะอยู่ไกลอยู่ไกลลำลึกนึกถึงวันสำคัญ วันสำคัญยังไงฟังแต่เชื่อว่าวันพระพระก็แปลว่าของประเสริฐวันเดือนปีในเดือนหนึ่งนี่วันเพ็ญติบห้าคำมีวันเดียว ในวันพระเดือนหนึ่งก็มีสามสี่ครั้งเท่านั้นเดือนหนึ่งถึงสามสิบวันวันที่มีความประเสริฐตรงนี้ทำไมจึงเรียกว่าวันที่มีความประเสริฐวันพระ คือเป็นวันที่มนุษย์ทั้งหลายที่จะได้มาเรียนรู้ว่าการเกิดของบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายนะั้นนาเกิดมาได้ยังไงถ้าเผื่อไม่ได้สนใจตรงนี้ การเรียนรู้ตามปกติชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านก็ทำการทำงานหาอยู่หาจินตามเรื่องตามราวแต่วันสำคัญคือวันพระไม่ควรที่จะเพิกเฉยหรือละเว้นปล่อยวางไม่สนใจ ถ้าวันสำคัญนักษณะนี้เพิกเฉยลาเว้นปล่อยวางไม่สนใจไม่ได้มาได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ไม่รู้ที่ไปที่มาว่าความสุขเกิดขึ้นได้ยังไงความทุกข์เกิดขึ้นได้ยังไงที่พระพุทธเจ้าสอนว่า พบนี้ชาตินี้มีจริงพบหน้าชาติหน้ามีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริงมากผลนิพพานมีจริงถ้าเผื่อไม่ได้ยินไม่ได้ฟังก็ไม่ได้สนใจว่าสวรรค์เป็นยังไงนิพพานเป็นยังไงไม่โล่นรกเป็นยังไงเปรตปีตเป็นยังไงไม่โล้เมื่อไม่รู้การกระทา อันนี้มันเป็นผลที่เนี่ยจะไปเป็นเปรต เ, เป็นปีกเกิดจากการกระทําของมนุษย์คนเราจะไปเป็นสนัตว์นรกตกนรกก็เกิดจากการกระทําของมนุษย์คนเราจะมาเป็นมนุษย์ผู้หญิงผู้ชายทุกชาติชั้นวัฒนทกประเทศทั่วโลกเกิดจากการกระทําของมนุษย์คนเรา การกระทาที่เกิดมาเป็นมนุษย์ได้ทำดีในทางที่ถูกเมื่อทำดีทางที่ถูกบุญกุศลผลการกระทําันนั้นอ่ะจิเนี่ยนำดวงจิตดวงใจให้มาเกิดเป็นมนุษย์พบหน้าชาติหน้ามีเจงเทวบุตรเทวดามีจรจงมากผลนิพพานมีริงสถานที่ลักษณะนั้นนั้น เป็นสถานที่ที่จะให้ความสุขที่จิตใจมนุษย์ทั้งหลายต้องการปราถนาแสวงหาความสุขสุขที่เลื่อนเอปรศสดเหนือควาสุ ข, ส ข, สขอยู่ในเมืองมนุษย์โลกมนุษย์อันนั้นก็คือเป็นเทบตรเทวดาสวรรค์สมบัติเสวยความเป็นทิพย์เดเลิืประเสรฐไม่มีอะไรเป็นเครื่องเปรียบเทียบ ความูกด้านจิตใจอันนั้นคือเข้าสู่มากผลในผานเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าพระอาเรียเจ้าเส้นทางเหล่านี้จะรู้ได้รู้ตัวก็เพราะการมาได้ยินในฟังคาสอนของพระพุทธเจ้าเอาวันนี้ก็จะได้เปิดเสียงธรรมะภาคปฏิบัติขององค์ลงตาให้พวกเราทําความสงบนั่งสมาธิฟังกันต่อที่นี่ วันนี้ก็นับว่าเป็นวันมหามงคลแก่พี่น้องชาวพุทธธรัมโดยมีพระสงฆ์เป็นหัวหน้ามาจากจังหวัดต่างๆมาคารวะขอคมาโทษซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นวันนี้พระที่ถึงมามากแล้วประชาชนก็ติดตามมาเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันพอเสร็จแล้วก็เข้ามาที่นี่ เพื่อจะได้ยินได้ฟังอัดธรรมนำไปปฏิบัติตนให้เป็นกฎเป็นเกณฑ์ตามแบบตามฉบับของพระของคลรวดญาติโยมีแบบฉบับต่างกันเดี๋ยวก็เรื่องเพศเพศของพระเป็นเพศที่สงบส ง, งียวงามตา เพราะเป็นเพศที่ปฏิบัติตนอยู่ด้วยความสังรวมระวังมีศีลมีธรรมเป็นเครื่องรักษาตนและประดับตนอยู่ตลอดเวลาผู้ที่มีศีลมีธรรมต้องเป็นผู้ระมัดระวังมีสติมีปัญญาพินิจพิจรารณามีความสุขขม ท้ายความคิดใจจองมากกว่าเพศคลรวาความอดทนก็มีมากถ้าพูดตามหลักพุทธศาสนาแล้วทุกอย่างเพศของพระจะออกหน้าออกตาทั้งนั้นขึ้นชื่อว่าความดีงามทั้งหลายเพราะฉะนั้นพระจึงเป็นตัวอย่างเป็นคติอันดี ให้ความร่มเย็นแก่โลกทั่วๆไปในบรรดาที่เป็นชาวพุทธไปสร้างบ้านสร้างเรือนที่ไหนต้องสร้างวัดสร้างวาขึ้นในสถานที่นั้นๆเพื่อเป็นความอบอุ่นของชาวบ้านในที่ทั่วๆไปพระเป็นผู้นำ ด้วยความประพฤติหน้าที่การงานของพระก็ถูกต้องตามแบบตามจบับของพระการประพฤติตัวก็ประพฤติด้วยความมีสติมีปัญญามีสังวรธรรมได้แก่ความสังรวมระหวังตนไม่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวก็คือพระ มีพูดถึงพระลูกศิทธาคตเป็นผู้สวยงามมองเห็นสง่างามภายในจียามายาถึงจะช้าจะเร็วก็ช้าเร็วไปด้วยความประดับคือสติธรรมปัญญาธรรมมีประจำตนจิิยาที่ช้าหรือเร็ว ก็เป็นไปด้วยธรรมทั้งสองประเภทนี้ย่อม ง, งามตางามใจการประพฤติตัวมีความสังรวมระวังอยู่ตลอดเวลาด้วยเหตุนี้สำหรับวันนี้จึงถือเป็นวันมงคลได้ตักเตือนบรรดาพระลูกพระหลานทั้งหลายที่มีจำนวนมากมาสู่ที่นี่ให้ปฏิบัติตัวเป็นคนดีเป็นพระดี มีศีลสังรวมระวังศีลอย่าให้ขาดเป็นเครื่องประดับตัวสวยงามตลอดนับตั้งแต่ขณะที่บวชออกจากโบสถ์มาเท่านั้นแหละเรียกว่าเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์แบบแล้วเนนก็มีศีลสิบบริบูรณ์พระก็สองยี่สิบเจ็ดบริบูรณ์ต่างคนต่างระมัดระวังรักษาศีลธรรม ซึ่งเป็นสมบัติการล้นค่าประจำชีวิตใจของตนตลอดไปไม่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยกิริยามาญาดผิดพลาดไปด้วยความผิดความไม่ดีทั้งหลายอย่างนั้นไม่ดีต้องเป็นผู้มีความสํารวมระวังอยู่ตลอดเวลานี้คือพระภายในก็ให้มีสติสตาง สำหรับพระครั้งพุทธเจ้าแล้วท่านถือว่าพระภาวนาไปที่ไหนมีภาวนาอบรมจิตใจของตนอยู่ด้วยสติด้วยปัญญาโดยสม่ำเสมอ mm hmm. ในข้างพุทธการจริงๆนั่นพระท่านชอบอยู่ในป่าในเขาท่านจึงให้นามทั้งสองว่าอรั ญ, ญวาสี ผู้อยู่ในป่าเป็นปกติบำเป็มความภาคียอลัญจวาสีผู้ที่อยู่ในแดนบ้านนี่เป็นมีสองกว่าเพื่อมาตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้าของเราคั้าธาทุระวิปัสนาทุระพวกกี่ร้อยกรองอัตธรรมวินัยเพื่อเป็นแบบเป็นธรร้าบะ ที่ผู้ศึกษาจะได้นำไปศึกษาแล้วเรียนแล้วปฏิบัติตามแบบแผนแบบแปลนแผนผังนั้ น, น, นเรียกว่าคันาธาตุระแปลว่าผู้ร้ยกรองทำมีในตำรับตำลาเอาไว้เพื่อเป็นแบบเป็นฉบับให้ผู้ศึกษาปฏิบัติตนได้ด้วยความสะดวกเพราะมีแบบดีฉบับเป็นเครื่องยึดเครื่องเกาะเครื่องปฏิบัติ ก็ราบลื่นดีงามไป <c oughs> ิปัสนาธุระนั่นเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมทั้งหลายเป็นลำดับลำราไปเช่นท่านเรียกว่าพระกรรมฐานกรรมฐานคือท่านผู้ส่อสแสวงหาอยู่ตามป่าตามเขาลำเนาไกลนับแต่พระพุทธเจ้าลงมา ทรงบำเพ็ญอยู่ในป่าในเขาแล้วพระสงฆ์ก็เช่นเดียวกันปวดแล้วก็ทรงชงเธอสงส่งเสริมให้ประยุ่ตามป่าตามเขาลุกขมูลล้มไม้อันเป็นพฐานที่มีเบกประกอบความเพียรได้สะดวกสบายปราศจากสิ่งบรบกวนทั้งหลาย การบำเพ็ญความภาคเพียงชำระสิ่งที่มัวหมองมืดตื้ออันเป็นภัยต่อจิตใจก็ชำระได้สะดวกสบายจิตใจก็มีความสว่างสวัยขึ้นมาอย่างน้อยก็เริ่มสงบล่งเย็นขึ้นมาภายในตัวเองเพราะตามธรรมดาของใจจะหาความสงบไม่ได้ ทั่วแดนโลกอาชาจะมีแต่ความยุ่งเหยิงวุ่นวายสร้างขึ้นที่งหัวใจแต่ละดวงละดวงด้วยกันหมดเพราะมีธรรมชาติอันหนึ่งเป็นเครื่องพาให้ดีให้ดีนท่านว่ากิเลสกิเลส น, นี่แหละเป็นโรงงานอันใหญ่หลวงของวัตตะจักรวัตตะวนของสัตว์โลกท่านเริ่มต้นของกิเลสคืออะไร อันว่าอวิชชาปัจจยาสร้างฆาลาสร้างฆาลาปัจจยาบิน ญ, ญาณังนี้ต่อขแขนงไปเรื่อยๆจากอาวิชชาตัวเดียวนี้แหละที่ตกแต่งหรือบังคับบัญชาให้อิจใจดีดดิ้นชิดปรุงต่างๆตลอดถึงกายวาจาเคลื่อนไหวไปตามความคิดของมปุงของกิเลนี้โดยทั่วกัน นี่เป็นงานของกิเลสของวัตกรที่มียูหัวใจของโลกตัวทั่วไปที น, นี้เวลาเราภาวนาเราระงับงานทั้งหลายเหล่านี้ซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสเข้าสู่งานของธรรมคืออบรมจิตใจให้มีความสมบงบร่มเย็นด้วยธรรมบทใดก็ตาม ได้ทั้งนั้นตาม แ, แต่ตุ่มจลิตนิสัยของตนที่ชอบกับธรรมหมดนั้นนั้นเช่นเราชอบพุโทโธเราก็เอาพุโทโธมาบริกรรมจิตติดแนบอยู่กับคำบริกรรมพุโทโธมีสติบังคับปัญญาหนาแน่นไม่ให้คำบริกรรมเคลื่อนจากจิตใจ อ, อยู่ตลอดไป มีเรียกว่าภาวน า, ารักษาใจบำรุงใจล้วยบทธรรมละงับสิ่งก่อควรทั้งหลายที่กิเลสสร้างขึ้นดังที่กล่าวผ่านมาเมื่อมาเมื่อสักครู่นี้งานของกิเลสละงับไปงานของธรรมก้าวขึ้นแทนที่กันด้วยการภาวนามีสติสตังอบรมกิตใจของตน จะเป็นธรรมบทใดก็ตามพุโทโธก็ได้ธรรมโมสังโฆได้อนาปานสติได้หรือบริกรรมบทใดนอกจากนี้ไปได้ทั้งนั้นขึ้นชื่อว่าธรรมลำมากากับใจเพื่อความสงบของใจแล้วบริกรรมเป็นคำคำอยู่ในนั้นมีสติเป็นเครื่องกากับรักษายาเผลอ สตินี้เป็นพื้นฐานสำคัญที่จะบังคับงานให้เป็นไปเพื่อความราบลื่นและสงบสุขลมเย็นขึ้นแต่ตัวต้องขึ้นอยู่กับสติถ้าสติขาดมากขาดน้อยเรียกว่าขาดงานแล้วผลจะไม่สมบูรณ์ดีไม่ดีจิตมีทางที่ทิเลศจะลาก ถูออกไปทะเลทลายออกนอกรูนอกทางกลายเป็นงานของเจเลจอยู่ในถ้ำกลางแห่งงานภาวนาของเราโดยเจ้าตัวไม่รู้นี้เป็นไปได้ง่ายมากทีเดียวยัง <c oughs> <c oughs> ขอให้ฝากกันตั้งสติให้ดีนี่เรียกว่างานสร้างธรรมสร้างความสงบเย็นใจสร้างความสุขขึ้นที่ใจต้องสร้างด้วยธรรม สร้างความกังวลวุ่นวายสร้างฟืนสร้างไฟเผาหัวใจนั้นสร้างด้วยกิเลสถึงไม่บอกกิเลสก็เป็นอัตโนมัติเป็นวัฏฏวนของใจด้วยอัตโนอัตโนมัติของตนโดยไม่มีใครตั้งเป็นครูพป็นาจารย์มาสอนกิเลสให้มีความเฉลียวฉลาดแหลมคมขึ้นไปเพื่อจะฉุดลาก โลกทำงานให้แก่โลกได้หมุนเร็วขึ้นเป็นฟื น, เ ป, น, ฟนเป็นไฟเผาหัวใจได้มากขึ้นโลกจะจีบปายได้อย่างรวดเร็วอย่างนี้ไม่ต้องมีใครมาสอนเพราะกิเลสเป็นธรรมชาติที่คล่องตัวมาตั้งกับตั้งกันร้ายกับร ล, า ย, บลายกันแล้วภายในใจหัวใจของสัตว์โลกมันหมุนอยู่ในตัวของมันตลอดเวลาตั้งในภพนี้เช่นเราเป็นมนุษย์ เราก็พอทราบได้ว่ามันคิดปรุงตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับร้อยทั้งร้อยมีแต่กิเลสทำงานและคิดปรุงทั้งนั้นแหละนี่งานของเกศมันก็สร้างที่หัวใจของสัตว์โลกแต่แล้วเป็นผลของกิเลสสร้างขึ้นมาเป็นฝืนเป็นไฟเผาไหม้สัตว์โลกให้เกิดเกิดความเดือดร้อนวุ่นวาย มีแต่ความทุกข์อยู่ทุกแห่งทุกผลเพราะอํานาจของกิเลสสร้างฟืนสร้างไฟขึ้นมาในหัวใจของศาตว์โลกนั่นแหละบัด น, นี้เราเป็นผู้มาบวชในพุทธศาสนาหรืออย่างคารวะเป็นผู้สนใจในอัตในธ ร, ราก็ให้สร้างอัตสร้างธรรมตามการเวลาอันควรแยกทางโลกแยกมา ท, าทําธรรมในคนคนเดียวใจดวงเดียวกันนั่นแหละ แบ่งสรรปันส่วนกันทำงานต่างโลกและถางรมไปด้วยกันสำหรับทางภานีแต่ว่าไม่แยกก็ไม่ผิดเลยให้ทำหน้าที่แต่เรื่องของธรรมโดยสายเดียวมีสติเป็นพื้นฐานรู้สึกตัวตลอดเวลานี้เรียกว่าเป็นผู้ทำงานด้วยความรอบครอบตัวเองอยู่ตลอดเวลา เรียกว่าทำงานแล้วปัญญาน้ำออกใช้เป็นการเป็นเวลาสำหรับสตินั้นเป็นพื้นฐานระมัดระวังจิตใจของเราที่จะถูกเิเลบถุดลากออกไปตกเหวตกหอบบ่อตามความเคยชินของมันให้ยับยั้งเอาไว้ด้วยบทธรรมเช่นคำบรีกรรมแล่เพราะพระเราให้ยึดคำบรีกรรม หมดใดก็ได้มีสติกํากับอย่างแน่นหนามั่นคงจิตใจเมื่อได้รับการรักษาด้วยสติแล้วจะไม่หมุนติว้วติ้วไปตามเจเล่เพราะคําว่าสังขาร น, นั้นเป็นได้สองประเภทสังขารเป็นตัวสมุทยัยที่กเด็ดตาคิดพาปุ่งนิสังสมกองทุกข์ขึ้นมาสังขารที่เป็นฝ่ายมาก ที่ทำภาชิดภาปรุงเช่นเราปรุงพุโทโธหรือธรมโมสังโฆหรือธรรมบทใดก็ต่างนี่เรียกว่าสังขารฝ่ายธรรมสังขารฝ่ายนี้เป็นเครื่องระ ง, งับดับความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดสร้างขึ้นมาด้วยความชิดปรุงของมันทําใจของเราให้สงบลงด้วยสังขารฝ่ายธรรมเช่นพุโทโธพุธโทโธ ที่ยึดสติติดตั้งไว้กับนั้นไม่เคลื่อนย้ายไปไหนเลยแล้วจิตแกวเขาจะมีความสงบเย็นนี่เรียกว่าทมทางานบนหัวใจดวงเดียวกันนั่นแหละใจของเราจะมีความสงบเย็นสงบเย็นจากใจสงบเย็นแล้วจะมี ความสง่าง า, ามความแน่นหนามัน่นคงความสุขก็จะเพิ่มขึ้นมากขึ้นมากขึ้นภายในจิตใจของเราซึ่งแต่ก่อนมีแต่ความกังวลวุ่นวายเป็นฟืนเป็นไฟเผาตนพอได้ทมคือบทภาวนามาเป็นน้ำปรับไฟใจย่อมมีความสงบเย็นขึ้นมาเนี่ยพากันจำเอาไว้พระลูกประหลานแล้วให้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติ อบรมภาวานาเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวานาอยู่ในสถานที่ต่างๆ ท, ท่าวิอญาบทตรต่างๆด้วยความภาคเพยียนนี้เรียกว่างานของพระของเลนเราให้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติเป็นจิตะลักษณะจริงๆสมบวรมาเพื่อบุญเพื่อกุศลเพื่อมรรคผลนิพพานอย่าห่างเหินจากทมเหล่านี้ ตั้งเจตนาไว้อย่างไรแต่เบื้องต้นให้รักษาเจตนานั่นเข้าสู่ความมั่นคงในอัตในธรรมทั้งหลายจิตใจจะมีความสง่างามขึ้นมาสง่างามขึ้นมานี่เรื่องสร้างธรรมขึ้นภายในใจธรรมเป็นความสงบเย็นนีเป็นผลแห่งการบำรุงรักษาธรรมด้วยคิตตพวนารักษาใจ ต่างกันกันกบทิเลที่ฉุดลาบออกไปสู่ฟืนสู่ไฟเผาไหม้ตนทั้งวันทั้งคืนจากความคิดปรุงอันเป็นเรื่องของทิเลด้วนด้วนแต่นี้เอาความคิดความปรุงร้านี้มาเป็นเรื่องของธรรมทำละความคิดปรุงของทิเลออกไปเอาความคิดปรุงของธรรมเข้ามาแทนที่ในใจดวงเดียวกันมีสติ ติดแนบติดแนบแน้ใจจะค่อยสงบเย็นไปเรื่อยๆคำว่าใจนี้ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายนักบวชก็แว่าไม่มีเพศร้อนได้เหมือนกันเย็นได้เหมือนกันมีความสุขได้มีความทุกข์ได้ตามแต่เราจะหมุนปลาทางที่ผิดหรือที่ถูกหนักเบามากน้อยเพียงไรจิตนี้จะหมุนไปตามนั้นได้ทุกเพศทุกไหว เพราะฉะนั้นเราจึงควรได้ระมัดระวังรักษาจิตใจของเราให้ในปรงวางลงสู่ความสงบเย็นบ้างในวันคืนหนึงหน่งอย่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวทั้งวันทั้งคืนมีแต่ความฟุ้งเฟอ้อเหอขนองตลอดเวลาตายแล้วก็หาจุดที่หมายไม่ได้เลย มีแต่พาให้จมพาให้จมตายแล้วจมไปเลยเพราะกิเลสไม่พาใครขึ้นสวรรค์ชั้นผมไปมรรคผลนิพพานมีแต่พาลงทางต่ำทางต่ำบาปกรรมพาลงทางต่ำจนแดนนรกนุนที่สุดของบาปของกรรมที่เกิดขึ้นที่จากกิเลสพาเร้า ทีนี้เราฟื้นตัวของเราขึ้นมาด้วยการอุกดมจิตใจให้มีความสงบพักงานของที่งเเกิดขึ้นจากความคิดความครุงดูหน้าที่การงานอะไรก็พักไว้แล้วทำอิตใจของเราให้สงบตามการอันควรจะพ่ออย่างยิ่งคือเวลาจะลับจะนอนไม่ควรปล่อยวางโอกาสอันดีงามนั้นให้ผ่านพ้นไป ด้วยหลับเฉยๆบนหมอนคล้อๆไม่เกิดประโยชน์อะไรขอให้หลับไปกับคำบรีกรรมเรานอนอยู่เราก็บริกรรมได้เช่นพุโทโธพุโทโธให้หลับกับพุโทโธเป็นต้นเราจะมีความสงบเย็นใจเป็นการสร้างบุญสร้างบุญผลขึ้นในการถาวนาขณะที่จะหลับจะนอน นี่กะละวาดก็ทำได้แบ่งงานมาทำเวลานั้นได้สำหรับฟ้านี่ให้รับด้วยทำนั่นแหละดีเวลาจะนอนก็ผู้ที่ใช้คําบรรุรคมก็ให้ใช้คําบรรุยคำผู้ที่มีจิตสงบเขาไปสติเ็าอยู่กับความสงบผู้ที่มีความสงบแล้วเขาเยิ่มย่อมสราบหน้าที่ของตนเอง สติจะติดแนบอยู่กับความสงบคือสมาธิแล้วก้กาวเข้าสู่ปัญญาพิณิพิพจาณาสกุลรากายสังขารทั้งหญิงทั้งชายทั้งสัตว์ทั้งบุคคลสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืนถาวรเป็นสิ่งที่จะแตกจะสลายทำลายไปทุกสัตว์ทุกบุคคลทั่วหน้ากันหมด เวลามีชีวิตอยู่เราจะนำสังขารร่างกายนี้มาทำประโยชน์ก็ให้รีบทำเสียตั้งแต่เวลานี้ตายแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรอย่างมากก็นิมนต์พระไปภุสลาทำมาตอนนั้นเป็นประเพณีของชาวพุทธเราแล้วก็ไม่ได้คิดอ่านหน้าอ่านหลังอะไรเลยมีเพียงตอนนั้นไม่ดีถ้าให้คิด๋ย่ตั้งแต่บัดนี้ หาก็ให้ตั้งหน้าตั้งตาทาหน้าที่การงานกิเลสเป็นภัยมากจะพ่อพระเราต้องถือว่าเป็นภัยมากทีเดียววรที่จะเห็นโทษของมันเป็นกรณีพิเศษจากประชาชนโทษทั่วไปเป็นอย่างมากทีเดียวผู้ที่เห็นโทษของกิเลส ด้วยการบวชของตนการทำระล้างสิ่งที่เป็นภยัยคอกิเลสออกจากใจนี้ชื่อว่าผู่ตื่นเนื้อตื่นตัวตื่นตลอดเวลา <c oughs> ยืนก็มีสตินั่งมีสตินอนมีสติเว้นตลาดตื่นขึ้นมาก็มีสติกํากับความภาคยังทาระกิเละไปโดยลําดับแล้วนี่เลี๋ยจะค่อยจางไปจางไปจิตสงบลมเย็นเข้ามามากน้อยเพียงใด ความหิวโหยอยากคิดอยากปรุงต่างๆของใจย่อมเบาเข้ามาเบาเข้ามาสุดท้ายเมื่อความสงบเต็มที่แล้วความคิดของมปรุงกลายเป็นเรื่องดาคาญไปไม่อยากคิดอยากปรุงอะไรเพราะมันขวนใจผิดกับที่จิตเราไม่มีความสงบมิจะอยากคิดอยากปรุงตลอดเวลาไม่ได้คิดในกลุ่งอยู่ไม่ได้เนี่ยพอจิตมีความสงบเป็นเดือนอยู่เดือนพักแล้ว ความคิดปรุงทั้งหลายกลายเป็นเรื่องก่อกวนให้ลำคาญจิตใจเพราะฉะนั้นผู้ที่มีจิตเป็นสมาธิความสงบอย่างใจจึงไม่ชอบคิดและติดความสงบของตนงไม่อยากออกทางด้านภาวนาถือเป็นความลำคาญเช่นเดียวกันเพราะการออกทางด้านาปัญญาก็ต้องใช้ความคิดความปรุงซึ่งเป็นเรื่องของงานเหมือนกัน งานนี่งานสอดส่องมองเหตุมองขนในอวัยวะต่างๆตั้งเวลาบวชเข้ามานี้อุปชาท่านสอนว่าว่าเจอสาโรมานห า, าทันตาตะโจนี่แหละงานของปัญญาต้องพินิพิจารณาถึงผมขนเล็บฝันหนังตับไตไส้พุง อ, อวัยวะภายในภายนอกดูตลอดทั่วถึมันเป็นยังไง โลกทั้งโลกถึงได้ติดกันเราชนะหนาติดมาตั้งกับตั้งกันภูเขาทั้งลูกไม่แต่นหนาแน่นยิ่งกว่าหนังบางๆทีตอนนี้ที่มันหุ้มห่ออวัยวะของสัตว์ของบุคคลเอาไว้นีบางนิดเดียวแต่หนาแน่นยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกเลยเพราะภูเขาโลกไม่ติดแต่หนังบางๆงนี่โลกติดเราก็ติดเขาก็ติดนี่ทันติสอนให้เขามาพิจารณาดูด้วยปัญญา มันไปยังไงหนังนี่ไปยังไงจากหนังเขาไปเนื้อจากเนื้อเขาไปเอ็นกระดูกกลับไปไส้หูของเขาของเราของสัตว์ของบุคคลของหญิงของชายมีเหมือนกันหมดพิจารณาเมื่อมันเข้าใจแล้วมันจะปล่อยวางเหมือนกันหมดไม่ว่าของใครจะปล่อยได้ทั้งนั้นแต่นั้นทาน่นทานเรียกว่าปัญญานี่แหละสมาธิถ้ามันมีความแน่นหนามันคงพอแล้วไม่อยากออกทางด้านปัญญา หรือเป็นความรำคาญเพราะฉะนั้นได้โอกาสอันดีผู้มีสมาธิเป็นเรือนอยู่แล้วจึงควรอย่างยิ่งที่จะออกทางด้านปัญญาแม้จะรำคาญไม่อยากออกอยู่ด้วยความสงบในสมาธิดีกว่าก็ตามให้ฝืนใจออกไปพิณิพิญานาแยกธาตุแยกขันธ์ดังที่กล่าวมาแล้วนี้ปัญญาเมื่อพิจาณาไปจะมีทางก้าวเดินกว้างขวางและละเอียดลอ ออกไปเรื่อยเรื่อนี่ก็จะชวนปัญญาให้ก้าวเดินไม่หยุดไม่ถอยนี่เรียกว่างานของพระให้ทา่ทานทั้งหลายพิจารณาอย่างนี้แล้วปัญญานี้เวลาได้ก้าวออกไปแล้วจะมีความดูดเดิมมีความลื่นหลงมีความอยากรู้อยากเห็นมีความอยากถอดอยากถอนที่เหลตไปในตัวในตัว แล้วจิตก็จะเพลินในการพิจารณาทางด้านปัญญาเพราะพิจารณาไปมากเท่าไหร่ยิ่งรู้ยิ่งเห็นยิ่งต่อ ย, ยิ่งวางไปเรื่อยก็ยิ่งเพลินไปเรื่อยเรื่อยเร่ยเมื่อถึงการอันควรปัญญาทำงานด้วยความคิดความถุงนี่เหน็ดเหนื่อยเมื่อลาแล้วให้ย้อนจากการพิจารณาทั้งหลายเข้ามาสู่สมาธิคือพักอง กำลังถึงจะไม่อยากเข้าพักสมาธิก็ตามต้องย้อนจิตเข้ามาเมื่อจิตใจ เ, เหนื่อยเมื่อลาเพราะการพิจารณาทางปัญญาก็เรียกว่าทํางานเหมือนกันเมื่อทำงานไม่หยุดไม่ถอยแล้วร่มเดินเหนื่อยเมื่อไาเหนื่อยเข้ามาทึ่งหมักหัวใจนี่แหละเหนื่อยแล้วย้อนจิตเข้ามาสู่ความสงบคือสมาธิปล่อยอารมณ์ของปัญญาที่พิจารณามากน้อยหมด โดยสิ้นเชิงให้เหลือแต่ความรู้ที่เด่นอยู่ภายในจิตใจอันเดียวจนกระทั่งจิตใจอิ่มพอในความสงบของตนแล้วขยายตัวออกมาแล้วที่นี่พิจารณาสั่งด้านปัญญาอีกต่อไปให้ทำอย่างนี้ตลอดไปเรียกว่าก้าวเดินทางความภาคอย่างทั้งสมถะและวิปัสสนาด้วยความราบรื่นดีางาม ทีนี้เวลาเด็ดเหนื่อยเมื่อยละก็ย้อนกลับมาพิจารณาการเข้ามาพักในสมาธินั้นไม่ได้มีการถอนกิเลสประเภทดใดๆก็ตามแต่เป็นการพักเอากําลังเพื่อจะไปถอนกิเลสด้วยปัญญาหากปัญญาไม่มีกําลังหนุนก็ไม่มีความเฉลียวฉลาดคล่องแคล่วว่องไวการท่ากิเลสคล่องเป็นความไม่แน่นอนเหมือนกันแต่เมื่อจิตได้พัก ทางสมาธิออกไปแล้วมีความแนนอนแนนอนเป็นลาดับนี่การดำเนินพิจารณาทางด้านสติปัญญาเรียกว่าความภาคยางของพระเราอ่าได้เอาเรื่องของโลกของสารเข้ามายุ่งเหยิงวุ่นวายซึ่งไม่ใช่ของมีศาสนากายจะมีตั้งแต่เรื่องวัตถุเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดแล้วเวลา ด้นานนามธรรมาคือการชำระกยิเหล็กความโลภความโกรธราคะตัณหาภายในใจของพระเราแทบจะไม่มีให้พระลูปพันลานนำไปพิจารณาหลวงตาได้เรียนมาพอประมาณไม่เป็นที่สงสัยในการเทศนาว่าการสอนลูกสอนหลานว่าในขั้งพุทธกาลท่านนิยมนามธรรมา คือการประกอบความพากเกี่ยมทำรักกิเลสมากต่อมากแล้วสําเร็จเป็นมรรคเป็นผลแต่โสดาสกิทานาคาหาันขึ้นจนกระทั่งถึงนิพพานมามากต่อมากแล้วด้วยการบําเพ็ญงานที่ถูกตามตามทางของสัตดาที่ประทานสอนไว้ด้วยจิตตภวนานี่เรียกว่างานนำ ม, มาทำคือกิตตภวนา อันนี้เวลานานเข้ากับลบเดือนกันไปลบเดือนกันไปขี่เหล็ดหมาแนงขึ้นมาหมานแนงขึ้นมาส <c> ถ <oughs> านที่ที่อาศัยท่านแบบการบ ำ, บำเพ็ญเพียรภาวนาซึ่งไม่เป็นของยากของลาบากอะไรเลยในครั้งครูตากเข้าอยู่รมไม้ชายเขาดังที่ท่านแสดงไว้ว่าลุกขมูลเแนาสนังนี่เป็นต้นนะ เมื่อบรรประชาสมุูรแล้วให้เขาท่านตั้งหลายเข้าไปเที่ยวอยู่ตามลุกขมูลล่มไม้ในป่าในเขาเพื่อประกอบความพ้างเพียรด้วยความสะดวกสบายและจงทําความอุตสาหพยายามทําอย่างนั้นตลอดชีวิตเถิดอย่างนี้ก็าตามแต่จิตมันก็ไม่ได้หมุนไปทางโน้นแล้วมันกลับหมุนเข้ามาในบ้านในเรือนในสิ่งก่อสร้างทั้งหลายแล้วสร้างที่อยู่ ท่านสร้างแต่ก่อนลุกขมูนะคือต้นไม้ก็อยู่ได้ตน้นต้นไม้ภูเขาในธรรมน้ำผาอยู่ได้แต่ขั้นานานมานานมาพระเรามันหนาแน่นด้วยกิเลสความฟุ้งเฟอ้อเหมมินความดี้ความดิ้นไปตามกิเลสเลยยักเอากิเลสเข้ามาประดับตัวเอาซ่อมเอาฐานคือกิเลสมาประดับตัวสร้างวัดเลยเป็นการหรูหราขึ้นไปทางกิเลสส่วนธรรมเลยแห้งผากแห้งผากไปหมดไป พอเริ่มมาสร้างวัดที่ไหนแล้วขึ้นนะนะศาล า, าก็ขึ้นกุฏิก็ขึ้นกี่ชั้นกี่ห้องกี่หับมีแต่ความรูแลคู่ฝ่ามีน้ำซ้ำอย่างหาต้นไม้มาประดับประดาตกแต่งให้สวยงามอะไรได้คงราคามเต็มไปหมดนี่เป็นเรื่องของกิเลสล้ลวนๆไม่ใช่หน้าที่ของพระจะเข้าไปสนใจในสิ่งนี้เลยแต่มันก็เต็มอยู่ในวัดในมานและเวลานี้เพราะกิเลสมันเต็มบ้านเต็มเมืองนี่เห็นไหม มันกลายมาเป็นอย่างนี้แหละเวลา น, นี้นี่ไปที่ไหนเรามีแต่ความรู้หลาฟู่ฝ่าด้วยสิ่งก่อสร้างต่างๆอเพื่อความสวยงามโก็หนูเพื่อความสะดวกสบายงามหูงามตาของกิเลสเพื่อความเกร ง, งขามเกรงขามไปเรื่องที่เิเลสไปเจียวส่วนธรรมแห้งผาหาที่จะหน้ากล่าวว่าไม่มีไปที่ไหนมีแต่ว่าถูกขวางธรรมไปหมด ทำเลยออกไปไหนไม่ได้ที่พอจะกล่าวอย่าประลบถึงเรื่องอัดเรื่องทการทำการชำระที่เหลือกิเลนนั้ น, นการชําระกี่เหลือกิเลนกลับเข้ามาโจมตีทำอืมหานว่าหาว่าการบําเพ็ญกุญญามความดีนี่เป็นความคลื้ความล้าสมัยอืมแล้วการทําบุญแล้วก็ดูถูกหยาดยามสําหรับผู้ภาวนาไปเสียนี่เห็นไหมกิเลมันพลิกตัวของมันขึ้นมา ทำรายศาสนาผู้สร้างความดีเพื่อความพ้นทุกข์ตามทางของศาสนากลับเป็นเรื่องได้รับความดูถูกหยาดยามไปแล้วเห็นว่าเป็นงานคืองานล้าสมัยไม่ทันสมัยเหมือนที่เหลือเสร็จแล้วเวลานี้วิริยติงออกหน้าออกตาเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มพัดเต็มบัดเต็มวาเต็มพระเต็มเนียเต็มไปหมดดูเอานี่ระแบบฉบับสอนมาไว้ให้ท่านตั้งหลายดูแล้วความเป็นจริงที่มันจะแรงอยู่ ตั้งตั้งแต่ต้นเรื่อยมาจนมาถงปัจจุบันนี้มันแสดงยังไงมันแสดงดังที่พูดมาแล้วนี่หรือไม่ให้พิจารณาสิายที่ไหนมันไม่ได้มีนะทางจงกรมในวัดหนึ่งๆไปหาดูสีนะ่ะทางจงกรมเพื่อเดินจงกรมกลับไปกลับมาชำราภกิเลสทสานที่นั่งภาวนาพักพรหย่อนใจตามร่มไม้ชายคาที่ไหนเพื่อความสะดวกสงบผามณ์นี้ไม่ค่อยมี มันมีตั้งแต่วัตถุสิ่งก่อสร้างต่างๆเป็นเครื่องลื่นเลงบันเทิงเป็นบ้าไปตามกิเลส ก, กันเสียทั้งหมดนี่นี่แหละเป็นอย่างนี้แหะเวลานี้นะาศาสนาเสื่อมอย่างนี้เองแต่วัตถุของาศาสนาอันเป็นเรื่องของกิเลสนั่นจเจริญที่เดียวจนมองห า, าศาสนาไม่มีกลายเป็นกิเลสเป็นเจ้าของาศาสนาไปเสียหมดนี่แหละ มันจเจริญวันนี้จเจริญมันมีแต่อินแต่ปูนแต่หินแต่ทรายแต่เหล็กแต่หลา น, นั้นนๆใจที่จ ะ, จะเจริญด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาศรัทธาวิมุตดบุดพ้นด้วยความภาคเทียนตามทางาตรัสรานี้มันไม่มีแล้วนะเราอยากจะว่าไม่มีเพราะไม่ทําถ้าทําต้องมีทําเป็นอากาลิโกคือเราต้องการความดีเมื่อไหร่ทำจะแสดงขึ้นจากการบําเพ็ญธรรมของเรา ที่เละก็เป็นอากาลิโกเราหมุนไปทางทิ่เละที่เลสที่ความเดือดร้อนวุ่นวายซึ่งเป็นผลของมันจะแสดงขึ้นในหัวใจของผู้วิ่งตามทิ่เละทันทีทันใดท่านจึงเรียกว่ากิเลสก็เป็นอากาลิโกไม่มีสถานที่การเวล่ําเวลาทำเมื่อไรเป็นกิเลสเมื่อนั้นทำก็เป็นอากาลิโกไม่มีการสถานที่เวล่ําเวลาอะไรที่จะมากีดขวางได้ บ้างเพ็นธรรมเป็นธรรมได้ทั้งนั้นนี่แหละในเวลานี้กิเลมันมีอำนาจมากมันมีแต่กิเลสเป็นอากาลิโกหมดทำเลยกาลิโกให้กิเลสมาอนุญาตให้ทำทิ้งจะภาวนาจนกระทั่งตายก็ตายทิ้งเอาเปล่าเรื่องอิจกิเลสจะอนุญาตให้พาเราไปภาวนาพ้นทุกจากเงื่อมือของมันเป็นไม่มีขอเจงขอให้พระลูกพาหลานนายไป ป, ปฏิบัติ หลวงตาที่แก่มามากแล้วเช่นอย่างลูกหลานทั้งหลายมานี่ดูที่อายุมีประมาณเท่าไหร่นี่หลวงตาบวชมานี้ได้เจ็ดสิบปีนี่แล้วมาเหล่านี้รู้จะเปิดที่หลังหลวงตาบวชก็มีมากมาทีเดียวนะนี่หลวงตาได้ผ่านโลกก็ผ่านมาพอสมควรหลักธรรมหลักพินัยก็ผ่านมาตั้งแต่วันบวชการประพฤติปฏิบัติ ทั้งทางด้านปริยัตยิทั้งทางด้านปฏิบัติหลวงตาเข้านอกออกในได้อย่างอาฐานพูดไม่มีขัดมีข้อมเพราะผ่านมาหมดกระทางปริยัตยิไม่ว่าวัดนอกวัดไหนวัดไหนวัดลาดบรรวงเข้าหมดสังคมหมดรู้เรื่องรู้ราวหมดแล้วทางภาคปฏิบัติก็เหมือนกันเลื่อยมาเลื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ยิงเรียกว่ารัตตยุรัตรตันญู ของสามัญชนเราธรรมดาแปลนผู้ได้ผ่านลาตรีมานานพอสมควรถึงขนาดที่ว่ามาบวชได้อายุเจ็ดสิบปีผ่านทั้งธรรมทั้งมีหน่ยผ่านทั้งทางโลกทางมโนารมา <c oughs> จึงพอที่จะได้สิ่งต่างๆที่ผ่านมานั้นมาสอนลูกพระลูกพระหลานให้พากันไปพิณิปีนาปฏิบตัติตามไว้บ้างก็จะเป็นผลเป็นประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายเองจ น, นหลวงตานี่ก็เก่า แต่มามากแล้วอยู่ไปวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นไม่ได้หวังอะไรเลยคือมันหมดซะจริงจริงอันนี้ก็ดีนะเรื่องหวังนี่มันเต็มหัวใจของทุกคนทุกคนสัตว์โลกมีความหวังเต็มหัวใจด้วยกันแต่อันนี้มันไม่มีก็บอกไม่มีแต่ก่อนนั้นก็มีเหมือนกันกับโลกนั่นแหละโลกเขาหวังอย่างไรเราก็หวังอย่างนั้นขีดแขนงเราก็หวังขีดแขนงเช่นเดียวกันไม่ยอมแพ้การง่ายๆ แต่ครั้นปฏิบัติมาปฏิบัติมาตามอัตธรรมนี่นั่นนี้ซึ่งเป็นเครื่องแจ้ทุกข์เราก็พยายามแก้มาเป็นลําดับลำดับนนตั้งแต่วันบวชศึกษาแล้วเรียนก็เพื่อออกปฏิบัติกรรมจากนี้เลยเมื่อเรียนมาตามได้ตามความมุ่งหมายแล้วก็ออกปฏิบัติกรรมจากนี้เลยโดยตรงโดยตรงด้วยมาจนกระทั่งถึงป่านนี้ก็เป็นเวลารวมแล้วเจ็ดสิบปีที่ที่บวชเจ็ดสิบปีกับห เดือนหกวันที่สองพฤษภาเป็นวันบวชพฤษภ า, ษภามิถุนากรกัดาพฤษภามิถุนากรกัดานี่เจสิบปีกับสองเดือนแล้วนะสองเดือนกว่าที่บวชมาได้อุตส่าห์พยายามบำเพ็ญตนในคุณงามความดีทั้งหลายไม่บกพ้่องไม่ตำหนิ เรื่องของธรรมของวินัยถือเป็นหัวใจตลอดเวลาสําหรับพระวินัยนั้นเคลื่อนไม่ได้เลยส่วนธรรมนั้นเป็นของละเอียดแล้วยอมรับว่าผิดแต่ยังแก้ไม่ได้ก็ยอมรับว่าผิดอยู่หากพยายามจะแก้ธรรมนั้นตั้งนั้นเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบนันนี้ได้แก้มาเต็มเม็ดเต็มหน่วยทุกสิ่งทุกอย่างแก้มาจนกระทั่งหมดอะไรจะแก้ในหัวใจนี้ กิเลสตัวไหนที่เคยพัวพันผูกมัดจิตใจเอาไฟเผาหัวใจเรามาตั้งแต่อ้อนแต่ออกแต่กลับไหนการใดเมื่อมาบวชได้ได้ออกปฏิบตัติขึ้นเมทีฟาดกันกับกิเลสนั่นตลอดมาแล้วแล้จกนกระทั่งปัจจุบันนี้ไม่จกนกระทั่งกิเลสที่มันเคยมัดหัวใจเผาหัวใจขาดสะบั้นลงไปจากใจหมดแล้วไม่มีอะไรยแทนเช่นหนั้นวังมัดขนี้ผ่านแต่ก่อนบงังแต็มหัวใจ จะเป็นจะตายความหวังไม่เคยลดละเขาเป็นก็เป็นตายก็ตายด้วยความหวังมักผลิพานเป็นอันดับอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งตลอดมาทัทุกเมื่อเขาบำเพ็ญมานานๆพระทีบัตรมานานเหมือนกับเรารับทานรับทานไม่หยิบไม่ถอยตั้งแต่เริ่มแรกที่นิ้หวห้ยเต็มประมาณรับทานไม่อยู่ต่อไปค่ายๆอิ่มขึ้นมาอิ่มขึ้นมาเมื่อรับทานอิ่มแล้วความหวังจะรับทานต่อไปอีกในขณะที่อิ่มนั้นก็หมดไปเลย แต่การรับทานนี้มันอิ่มในเวลาไม่อิ่มและหิวโหยเป็นเวลาไปเป็นบ้าเป็นตอนส่วนความหวังหรือไม่หวังหมดทุกสิ่งทุกอย่างภายในหัวใจเพราะกิเลสซึ่งสร้างความหวังไม่มีประมาณพาสารโลกให้จมไปนี้ได้ถาดกะบัดลงไปจากใจแล้วความหวังแก้กิเลกก็ไม่มี ความหวังที่จะไปมรรคผลนิพพานเพื่อสิ้นทุกเมื่อจิตนี้ได้ดูดพ้นจากทุกโดยประการทั้งปวงแล้วก็ไม่มีทุกจึงไม่หวังทั้งเรื่องเสลถ้าเรื่องทั้งเรื่องธรรมจิตใจนี้สมบูรณ์เต็มที่มาร้นรวนท่านทั้งหลายให้ได้ตั้งระรูปอันล้านนี่จะผลในการปฏิบัติมาหลวงตานี้ออกปฏิบัติมาตั้งแต่พรรษาเจ็ด เริ่มสอบมหาป ร, ริญญาได้ตามคําสัจจาอธิษฐานว่าสอบมหาแล้วจะออกปฏิบัติเพื่อความเป็นพระละหันไปนิพพานอย่างเดียวเท่านั้นก็ฟัดจังเต็มเหนี่ยวตั้งแต่วันนั้นน่าเป็นเวลาเก้าปีตั้งแต่พรรษาเจ็ดถึงพรรษาสิบหกพรรษาสิบหกก็จําได้วันที่เดือนปีไม่สงสัยวันเดือนพฤษา วันที่สิบห้าพฤษภานสอเกาสาเวลาห้าทุ่มอยู่หลังเขาวัดดอยธรรมเจดีจังหวัดสกลนคร น, นั่นเป็นเวลาที่ความหวังทั้งหลายได้สิ้นสุดยุติลงโดยเด็ดขาดไม่มีใดเหลือที่เลือพังทลายลงไปจากใจนิพพานที่เราหวังตลอดเวลาก็จ้าขึ้นมาที่ใจ ทั้งสองอย่างนี้สมบูรณ์แบบวิเรษก็ขาดจะบ้านไปอย่างไม่มีอะไรเหลือหรอหายสงสัยแล้วธรรมมาที่ว่าเมืองพอนี้ก็จ้าขึ้นมาภายใจิตใจจึงหมดทุกอย่างอิ่มแล้วพอแล้วตั้งแต่ขณะนั้นมาจนกระทั่งถึงบัต น, นี้เป็นเวลาดูมันจะเป็นห้าสิบสว่ีมั้งให้คิดเอาเองก็แล้วกันนะก็บอกแล้วว่าวันที่สิบห้าพฤษภา 2,493 เป็นวันฟ้าดกับกิเลสขาดสะบั้นลงหลังบัดดอยทำไมไดีครองธรรมธาตุท ร, รมันเลิศเลอขึ้นในเวลานั้นจนประหนึ่งว่าฟ้าดินะล่มในคืนวันนั้นเวลาห้าทุ่มพอดีงานตั้งแต่บัด น, นั้นมาไม่เคยปรากฏว่ากิเลสตัวใดมากวนใจเหมือนหลังที่เคยเป็นมาแต่ก่อน แล้วความว่าอยากไปมักผลนิพานความอยากนั้นก็หายไปหมดเช่นเดียวกันเรารับทานอิ่มแล้วอยากหายอะไรอีกแต่การรับทานในไรอิอ่มแล้วมันก็ไม่อยากจะ ต, ต่อไปมันก็บกพ่องแต่ส่วนว่าพอในทางจิตใจนี้พออาจพอทำนี้ไม่มีคําว่าบกพร่องเลยพอเรียกว่าพออย่างเลิศเลยคําว่าพอนี่ก็เป็นคําที่พอ พ้นนิสัยของสมุดไปหมดแล้วเรียกว่านอกสมุดพอนี่กพอในนิพานกับพอของโลกวัตจักรนี่ต่างกันโลกวัตจกักรนี้อันนี้พอเวลานี้อันนั้นไม่พอเวลานั้นนี่เป็นอย่างนั้นแต่คำว่าพอในนิพานนี่ก่คอคือกิอเลสนั้นแหละเป็นตัวหิ้วโหยพอตัวหิ้วโหยคือกิอออเลสขาดระบายลงไปจาดใจเท่านั้นความพอผึ่งขึ้นมาในเวลานั้นเลย ไม่มีอะไรที่จะได้ซ่อมแซมหรือดัดแปลงหรือว่าจะเพิ่มเขาอีกหรือลดลงสมบูรณแบบเติมที่คือความพอในจิตใจนี่ผลแห่งการปฏิบัติมาตั้งแต่เริ่มแรกดังที่กล่าวานั้นขอให้พระลูกวระหลาน น, านไปเป็นคติเครื่องเตือนใจแล้วเป็นยังไงมรรคผลทิ่ผ่านผู้เจ้าสอนไว้เป็นไงเป็นอากาดีโกหรือเป็นอะไรพิจารณาดีมรรคผลที่ผาน พระ อ, องค์สอนไว้ว่าสวัสดธรรมจัดไว้ชอบแล้วจัดไว้ในธรรมทุกบททุบาทจัดไว้เพื่อมรรคผลนิพพานผู้ปฏิบัติตามนั้นก็เป็นไปตามนั้นจนกระทั่งถึงมรรคผลนิพพานพระรอรหันตีพระองค์ท่านละที่ได้บรรลุธรรมตามเสด็จพระพุทธ เ, เจ้าถึงมรรคถึงพระนิพพานมีจํานวนเท่าไหร่พิจนารณานี่ละอากาลิโกของธรรมถ้ามีผู้ปฏิบัติอยู่ เป็นอากาลิโกไม่มีการสถานที่เวลาเวลาใดจะมาทําลายได้นอกจากตัวเองเป็นรุปสัรค์ต่อตัวเองเท่านั้นมันไม่ ท, าทําตายทิ้งกวเปล่าก็ไม่เกิดประโยุน์อะไรทีนี้กิเลสก็เป็นอากาลิโกทําให้เกิดกิเลสเมื่อไรเกิดทันทีทดนใดในหัวใจดวงเดียวกันนั้นดวงพากันมัดระวังสังรวมเรื่องกิเลสอย่ามันเคยเป็นภัยต่อเรามามากต่อมา ก, มากแล้วอย่าไปฉิ่ชาหน้าด้านต่อมันให้มีความสนิทติดจมกับอัดกับทำ อุตสาพยายามดับแปลงแก้ไขตัวเองถ้าอยากเป็นคนดีมีหวังอยู่ภายในหัวใจแล้วหวังดีต้องพยายามแก้ไขดัดแปลงตัวเองอยากดีเฉยไม่ทําดีมีน้าซ้ํายังทําชัว่วช้าระบกเขาอีกยิ่งเร็วลงนะพากันจดจําทุกคนแล้วบรรดาพระลูกพระหลานให้พากันสนใจข้อวัดปฏิบัติกําจัดกิเลสให้ดําเนินตามแนวทางของศาสดาไปที่ไหนให้มีพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่หัวใจเรา ดังที่ท่านแสดงไว้แล้วในเวลาพระนนทร์ไปทูลราธนาท่านให้ทรงพระชนอยู่เป็นเวลานา น, านพระองค์ทรงถ้าภาษ า, าของเราเรียกว่าดุพระนอานนท์อานนท์จะมาหวังอะไรกับเราอีกทำวินัยเราสอนไว้แล้วโดยสมบูรณ์แบบไม่มีอะไรบกท้่องเลยร่างกายของเราก็ยังเหลือแต่ร่างกระดูกเท่านั้น มันคอยจะแตกจะดับไปเมื่อไรมันก็ไปของมันอันนี้ไม่เกิดประโยชน์อะไรแล้วเธอทั้งหลายพวกเธอจะมาหวังอะไรกับร่างกายที่มีแต่ล่างกระดูกเนี่ยนี่จากนั้นก็อ น, อนุนทพาธรรมกับพระวินัยนั่นแลจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายแทนเราตาถาโคตเมื่อเราตายไปแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้น แล้วก็ยอ้อนก็รับสั่งซ้าเขาอีกว่าอานน์เมื่อมีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักธรรมนิยที่เราสอนไปแล้วโดยถูกต้องนี้อยู่พระอรหันต์ไม่สูญจากโลกนะอานนท์คือติดแนบกันไปกับธรรมกับนิยนี้แหล ะ, ละกับสวาดาาธรรมนี้แหละอรหรันต์จะไปไหนไปติดแนบกันไป <c oughs> จึงขอให้พากันมีมีด้ยวยอัตบะมีมนัยมีธรรม ติดแนบะมิในเป็นสําคัญมากอย่าล่วงเกินฝ่าฝืนเท่ากับเราเทิดทูลศาสดาอยู่ที่หัวใจของเราด้วยความสั่งรวมระหว่างตกกับธรรมกับวิในนี่แหละไปที่ไหนให้มีฮิวตะปะให้มีวิยัยให้มีธรรมติดกับใจตัวเองก็ซึ่งเท่ากับศาสดาติดกับหัวใจของเราตลอดเวลาไม่ว่ายืนว่าเดินว่านั่งว่านอน ดูกับศาสตาทั้งนั้นแต่ถ้าได้ห่างเหินหรือร่วมเกินหลักธรรมหลักเวลานี้แล้วจะเอาพระพุทธเจ้ามากี่พระองค์พระพุทธลูกมีกี่มือกี่แสนกี่ล้านมาตั้งไว้เต็มหน้าทัพหัวเราจนตายก็ไม่มีศาสตราคนนั้นไม่มีเพราะจิตใจหมดปุณหมดค่าบุญราคามือแต่โทษแต่กรรมเต็มหัวใจแล้วไม่เกิดประโยชน์จึงพาขอให้พากันคิดให้เอาศาสตรามาติดแนบยาอะไร <c oughs> ถืออะไรว่าสําคัญยิ่งกว่าศาสดาคือธรรมคือวินยัยการสถานที่เริมเวลาที่โ น, น่นที่นี่อะไรไม่ใช่เป็นของสําคัญนั่นไม่ใช่เป็นศาสดานี่เป็นศาสดาให้รักษาธรรมให้ดีวินัยให้ดีมีอิทธิออตปะสังรวมระวังตนเธอดทูนผู้พุทธเจ้าด้วยความสังรวมระวังรักษาพระวินัยให้ดีทําให้ดีนี่คือศาสดาอยู่ตรงนี้ ไม่ได้อยู่กับดินฟ้าอากาศฟ้าแดดดินลมไม่ได้อยู่กับสิ่งใดอื่นใดทั้งนั้นนะอยู่กับตรงนี้ให้ยึดไว้เป็นหลักเป็นเกณฑ์แล้วต่อไปก็ให้พากันไปตั้งใจบวชปฏิ บ, บัติศาสนาเวลานี้กำลังเลวแหลกไปมากเลนะดูท่านดูเราอย่าไปดูใครนะการบวอปฏิบัติของพระของเน่เราเวลานี้รู้สึกเลวแหลกแบกแล้วแลแว้วยิ่งกลายลงไปความเวลวลาที่หน้า ผู้จากบาตรตาหน้าอิดนาลาใจอืบวชแล้วไปแทนที่จะมาเสาะแสวงหาอาชหาธรรมมันกลับเป็นโรคเป็นสงสารไปหมดอืบวชมาเพื่อยศเพื่อลาภยศถาบรรดาศักดิ์เพื่อลาภเพื่อ ย, ยาศเเพื่ อ, อยยววความได้ความมั่งความมีอำนาจ ป, ป่าเถื่อนแบบกิเลกเป็นหมดแล้ว เ, เจะได้เจือร่ำเจือดุยเขานับถือลือหน้าด้วยแบบกิเลกส่วมฐานเต็มหัวอยู่นั่น ใครจะไปใครจะไปกราบส้วมฐานระพุทธเจ้าที่ว่าให้เอาความดีจัดทำใจาไว้ในคือการปฏิบัติตัวต่างหาก น, นะยศธรรมนราศักดิเมิ้งมีทำพอแล้วจําเป็นอะไรจะต้องไปหายศที่ไหนมายุ่งมาบุ้นบายแล้วก่อขวนตัวเองแล้วก่อศัตร์ก่อทาลายศาสนาทําลายชาติบ้านเมืองไปด้วยความปราดนานลามอย่างนี้ขอ ง, ขรองพระเราไม่สมควรอย่างยิ่งพระเรา สิ่งที่สมควรต่อพระเราคือหลักธรรมหลักวินัยมรรคผลนิพพานนี่เท่านั้นสมควรนอกนั้นยกให้เป็นสมบัติของโลกเขาไปเรามาบวชเป็นพระแล้วมันเป็นคนละโลกไม่ได้เป็นโลกเดียวโลกของพระโลกของโยมต่างกันเราให้ปฏิบัติหน้าที่การงานของพระด้วยความสัมพันระหวัางแล้วเราจะเป็นผู้ครองยศถาบรรดาศักดิ์ในหลักธรรมชาติบนหัวใจของเราโดยไม่ต้องไปหวังเอาอะไรแลยเนะ ใครจะมายกจอก็อแล้วชนะเสิร์นก็นแล้วดูถูกเหยียยามก็แล้วทำนี่เหนือหมดไปหวังกับอะไรสิ่งต่ำๆสําๆอย่างนั้นทำเป็นในหัวใจเต็มหมดแล้วสบายไปหมดขอให้พระลูกพรหลานนำไปาพปธิบัติการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรแก่กาลเวลาและท่ากางขอความสวัสดีจงมีแก่มัรดาพระลูกพระหลานประชาชนทั้งหลายที่มานในวันมงคลนี้ให้ นำธรรมนี้ไปปฏิบัติเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนทั่วหน้ากันความสุขก็จะถึงได้ด้วยกันทั่วหน้ากันเช่งเดียวกันเอาละพองานยางของพระฟังการปฏิบัติเพื่อให้ความดีเกิดเอาจริงเอาจังขนาดไหนที่ทันเทศทันโพธินั่นนา ท่านเทศท่านพูดท่นไม่ได้หมายเออทาเป็นตัวอย่างนั่นนะความดีแต่และอย่างแต่และอย่างจะเกิดขึ้นเอาจริงเอาจังขนาดไหนที่ท่านว่าท่านเทศท่านพูดนี่ท่านเทศท่านพูดจริงจังตรงนี้เพื่อเข้าสู่มรรคผลนิพพานธุรกิจการงานทางโลกก็เหมือนกันถ้าเอาจริงเอาจังเห็นว่าอันใดมันเพร เส้นผิดธรรมผิดแม่บทกฎหมายประพฤติ ช, ชั่วอันนั้นเลกเลกเลกอย่าไปใกล้อ ย, อย่าไปคํานึงอย่าไปเช็ดอย่าไปว่ามันตรงด้านว่าไปเป็นของดีแต่นั้นเอาจริงเอาจังเลกเลีล่ยงจากความชั่วเนนะ่ะหลีกเลี่ยงจากความมันเพชเนนะ่ะมันอยู่ในขอบเขตของเส้นธรรมอยู่ในขอบเขตของกฎหมายมันก็เป็นไปเพื่อประโยชน์สุกสมความปรารถนาของตัวเองถนัดความหมายในการฟังการฝึกผ่านเข้าใจ วันนี้เห็นว่าพอจาควรแจ่เวลาเลิกเปลี่ยนในโบกันที่นี่พวกโยมเลิกไปก่อนนี <c> ่ <oughs>